สมภัสยองพีห้องดนตรีไทยตอนนั้นเป็นช่วงที่โรงเรียนมีงานทำพิธีครอบครูดนตรีไทยและจะมีนักดนตรีลูกทุง่งไทยสากลเข้ามาร่วมพิธีครอบครูด้วยนักดนตรีทุกคนก็ต้องนอนพักที่โรงเรียน เพื่อที่จะได้มาเตรียมงานและเล่นดนตรีกันในตอนเช้าที่นี่จะมีห้องให้นอนพักได้ก็คือห้องโสดห้องประชาสัมพันธ์และห้องปกครองส่วนผมกับเพื่อนๆ อ, อีกสิบกว่าคนได้นอนที่ห้องปกครองซึ่งอยู่ใกล้ๆกับห้องดนตรีไทยตอนนั้นผมกับเพื่อนก็นั่งพูดคุยกันตามปกติแล้วก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อพี่ออย แกเดินมาทักทายพูดคุยกับพวกผมสักพักเขาก็ได้เล่าเรื่องผีห้องดนตรีไทยให้ผมกับเพื่อนๆฟังว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เคยเล่าต่อๆกันมาว่าที่โรงเรียนนี้จะมีห้องดนตรีที่เก่าแก่มากซึ่งมีมาตั้งแต่เริ่มสร้างโรงเรียนแห่งนี้แล้ววันนั้นมีนักดนตรีคนหนึ่งเขาไปซ้อมดนตรีกับเพื่อนๆที่โรงเรียน เพื่อที่จะมาเล่นดนตรีในวันไหว้ครูที่โรงเรียนในวันหัดไปจนเวลาประมาณสี่ทมเขาได้ขออนุญาตอาจารย์สอนดนตรีเพื่อที่จะกลับบ้านก่อนเนื่องจากว่าตอนนั้นแม่เขาป่วยมากจึงต้องรีบกลับบ้านไปดูแลแม่ซึ่งระยะทางจากโรงเรียนไปยังบ้านของเขานั้นก็ประมาณ17กิโลเมตรเป็นเส้นทางที่มืด และเปลี่ยวมากในระหว่างที่เขากำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านอยู่นั้นเขาก็ได้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชนกับสิบลอทำให้เขาเสียชีวิตคาที่หลังจากนั้นผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ได้มีนักดนตรีคนอื่นๆที่ต้องไปนอนค้างที่ห้องดนตรีไทยของโรงเรียนเพื่อที่จะได้ซ้อมดนตรี และเล่นในงานของวันถัดไปคืนนั้นขณะที่พวกเขากําลังซ้อมดนตรีกันอยู่ก็ได้ยินเสียงระนาดเสียงกลองดังขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่พวกเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักด้วยความที่ซ้อมดนตรีกันมาเหนื่อยทุกคนจึงอาบนา้ําแล้วก็พากันเข้านอนในขณะที่กําลังนอนกันอยู่นั้นก็มีรุ่นพี่คนหนึ่ง ที่กำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นเขารู้สึกเหมือนกับว่ามีคนนั่งอยู่ตรงระนาดแล้วเงานั้นก็ลุกขึ้นและค่อยๆเดินเข้ามาหาเขาอย่างชา้ชาๆเงานั้นเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆและมาหยุดยืนหยุดตรงหน้าเขาจากนั้นก็มีเสียงพูดออกมาว่ากูอยากมาเล่นดนตรีกับพวกมึงเมื่อรุ่นพี่ได้ยินดังนั้น ก็ตกใจกลัวจนตัวสัน่นเขาตะโกนร้องเรียกเพื่อนอย่างสุดเสียงแต่ก็เหมือนกับว่าจะไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาเลยไม่นานนักเงา น, นั้นก็ค่อยๆหายไปกับความมืดรุ่นพี่กลัวมากหยิบผ้าห่มขึ้นมาคลุมโป่งขมตาให้หลับแล้วเขาก็พล่อยหลับไปพอรุ่งเช้า เขาจึงได้เล่าเรื่องที่เขาเจอเมื่อคืนให้เพื่อนๆฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเรื่องที่เขาเล่าเลยในขณะเดียวกันนั้นเพื่อนนักดนตรีคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยไอคนที่ตายอ่ะถ้ามึงอยากมาเล่นดนตรีจริงๆงั้นคืนนี้มึงมาช่วยเล่นให้พวกกูดูหน่อยสิหลังจากที่เขาพูดจบบรรยากาศในห้องดนตรีไทยก็ดูเงียบเยือกเย็น แล้ววังเวงมากสักพักทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นก็ได้ยินเสียงระนาดังมาจากตรงที่เก็บเครื่องดนตรีมันเป็นเสียงทานองตัวโน้ตเพลงมหาชัยทุกคนมองหน้ากันด้วยอาการที่ตัวสัน่นหน้าซีพูดอะไรไม่ออกแล้วพร้อมใจกันวิง่งออกจากห้องดนตรีไทยแบบไม่คิดชีวิตกันเลย หลังจากที่เกิดเรื่องราวนี้ขึ้นมาก็ไม่มีใครกล้าไปนอนที่ห้องดนตรีไทยนั้นอีกเลยเสียงหลอนซ่อนปริศนาเรื่องที่ผมจะนำมาเล่านี้เป็นประสบการณ์ที่ผมได้พบเจอกับดวงวิญญาณและสิ่งแปลกๆที่ผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่า สิ่งที่ผมได้พบเจ อ, อนั้นมันคืออะไรแล้วทำไมผมถึงสัมผัสได้กับสิ่งเหล่านั้นตอนที่ผมเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆยังไม่มีงานทำก็เลยมีเวลาว่างเล่นเกมและคุยกับเพื่อนเก่าๆที่เรียนจบมาด้วยกันผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อออดออดมันได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็เลยต้องเช่าอยู่ในหอพัก ในบริเวณใกล้ๆแถวนั้นวันนั้นผมได้ชวนออสเล่นเกมโดยคุยกันผ่านทอล์กในเกมพอเล่นได้สักพักผมกับออสก็เลิกเล่นแล้วคุยกันเรื่องทั่วๆวไปคุยไปคุยมาขณะที่ออสกำลังเล่าเรื่องที่พ่อมันได้ไปเที่ยวประเทศจีนอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะดังแทรกเข้ามาในสายแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมาก เพราคิดว่าไอออสคงอยู่กับแฟนมันก็เลยมีเสียงผู้หญิงแทรกเข้ามาในตอนนั้นผมแซวมันกลับไปว่าเฮ้ยอยู่กับสาวนี่ว่าร้ายนะมึงแต่ไอออสตอบกลับมาว่าไอบ้ากูอยู่คนเดียวอย่ามาอําน่ะมิกีกูยังได้ยินเสียงผู้หญิงอยู่เลยไม่มีแล้วววจากนั้นมันก็ตัดสายผมทิ้งไป ตอนนั้นผมงงและสงสัยมากว่าเสียงผู้หญิงนั้นเป็นเสียงใครสักพักด้วยความที่ผมสงสัยและอยากรู้ผมจึงตัดสินใจโทรหามันอีกครั้งเมื่อออสรับสายผมก็ถามมันเหมือนเดิมว่าออสตกลงเสียงนั้นเป็นเสียงใครเมื่อผมพูดจบมันก็ตอบผมกลับมาด้วยน้ำเสียงที่หงุดหงิดว่ามึงรู้ไหม หลังหอพักที่กูอยู่มันเป็นที่ฝังศพคนตายพอใจมึงหรื อ, อยังพูดจบมันก็วางสายผมไปเลยวันต่อมาผมก็ได้รับข่าวร้ายของออสซึ่งมันได้รับอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์ล้มความแขนและขาของมันหักจนทำให้เดินไม่ได้ไปนานมันทำให้ผมคิดว่าเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นลางบอกเหตุอะไรสักอย่างก่อนที่ออสจะประสบอุบัติเหตุต่อมาก็เป็นเรื่องของผมกับแฟนผมมีแฟนอยู่คนหนึ่งซึ่งคบกันมานานพอสมควรเธอเป็นคนชอบแกล้งขี้เล่นและอารมณ์ดีวันนั้นผมได้โทรไปคุยกับเธอตามปกติพอคุยไปได้สักพักเธอก็บอกผมว่า จะไปเที่ยวกันกับเพื่อนผู้ชายแต่ในขณะที่เธอพูดขึ้นนั้นผมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงแทรกเข้ามาว่าไปไหมผมได้ยินเสียงนั้นชัดเจนมากก็เลยถามแฟนกลับไปว่ามิกิเสียงใครอะมีใครชวนด้วยเองไปไหนหรือเปล่าแต่แฟนผมตอบกลับมาว่าตอนนี้อยู่ห้องคนเดียวผมได้แต่คิดในใจว่าเอาอีกแล้วกู วันต่อมาผมกับแฟนก็มีเหตุให้เราต้องเลิกกันผมงงและสับสนมาว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันคืออะไรเสียงที่พูดแทรกเข้ามานั้นเหมือนเป็นลางบอกเหตุอะไรสักอย่างหรือสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งนั้นมันทำให้เรื่องราวต่างๆพวกนี้เกิดขึ้นเรื่องของผมมันยังไม่จบเพียงเท่านี้มีวันหนึ่ง ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสามทุมขณะที่ผมกําลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องก็ดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยเหมือนกับทุกๆุกวันสักพักผมก็ได้ยินเสียงหมาเห่าอยู่หน้าบ้านป้าของผมซึ่งอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ได้ยินเสียงเป็นผู้หญิงประมาณสองสามคนยืนเรียบป้าที่หน้าบ้านผมคิดว่าคง ม, มีคนมาหาป้าแก่ จึงไม่สนใจที่จะออกไปดูพอรุ่งเชา้าผมก็เดินไปบ้านป้าแล้วถามป้าแกว่าป้าทำอะไรอยู่เมื่อคืนได้ยินคนมาเรียกใครมาหาป้าเหรอแต่ป้ากลับตอบผมมาว่าใครเหรอไม่มีใครมานะไม่มีได้ยังไงก็เมื่อคืนผมได้ยินเสียงผู้หญิงมาเรียกป้าที่หน้าบ้านจริงๆนะ แต่ป้าก็ยังยืนยันว่าไม่มีใครมาเลยมันยิ่งทำให้ผมสงสัยมากขึ้นไปอีหลังจากนั้นเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ผมก็ได้งานใหม่ทำแล้วเย็นวันนั้นแสงอาทิตย์ใกล้จะลับขอบฟ้าขณะที่ผมกาลังจะเดินกลับบ้านก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งซึ่งมีผู้หญิงนั่งซ้อนท้ายมาด้วยขี่ผ่านผมไป ผู้หญิงคนนั้นรูปร่างดีเธอสวยมากผมมองตามจนรถคันนั้นขี่ไปจนสุดสายตาจากนั้นผมก็เดินกลับบ้านพอเดินมาได้สักพักหนึ่งจนมาถึงทางเปรี่ยวที่มีพงหญ้าขึ้นอยู่สองข้างทางผมก็ได้เห็นผู้หญิงคนเดียวกันนั้นยืนอยู่ริมถนนเธอหันหน้าไปทางพงหญ้าที่ขึ้นรกล่าเธอ ก็ค่อยๆเดินหายไปตอนนั้นผมตกใจกลัวมากแต่ก็พยายามควบคุมสติเพื่อที่จะรีบเดินกลับบ้านก่อนที่มันจะมืดมากกว่านี้ไม่นานนักผมก็เดินมาถึงปากซอยซึ่งทางจะไปบ้านของผมนั้นต้องเดินเข้าไปในซอยผมเดินอยู่ในซอยก็ต้องผ่านวัดวัดหนึ่งระหว่างที่กําลังเดินจะพ้นหน้าวัด ก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคนกรีดร้องเสียงนั้นห้อยหวนและดังมากมันทำให้ผมขนลุกผมรีบก้าวขาให้ยาวและไวขึ้นเพื่อที่จะกลับไปให้ถึงบ้านโดยเร็วที่สุดพอมาถึงบ้านผมจึงเล่าเรื่องที่ผมเจอให้พี่สาวฟังพี่สาวผมจึงบอกว่าเสียงนั้นน่าจะเป็นเสียงเปรต ส่วนผู้หญิงที่ผมเจอตรงทางเปรี่ยวทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเธอเป็นใครกันและที่ตรงนั้นมันเคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกันแน่คืนวันรับน้องใหม่ตอนที่เกิดเรื่องนั้นเราจำได้ว่าอยู่ในช่วงประมาณปีพศอ 2,557 หรือ 2,558 ขณะนั้นเรากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งย่านดินแดงมันเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยมีการรับน้องใหม่เข้ามาซึ่งได้มีกิจกรรมให้ทำเยอะมากเราทำกิจกรรมอยู่ที่ชั้นสองกว่าจะเลิกก็ประมาณสามทุ่มกว่าแล้ว ที่ชั้นล่างของอาคารก็ยังมีคนทำกิจกรรมกันอยู่บ้างแต่ไม่มากนักวันนั้นหลังจากที่เราทำกิจกรรมเสร็จก็รีบเดินออกมาก่อนซึ่งเราต้องเดินผ่านทางเดินช่วงระหว่างตึกสองและตึกสเพื่อลงไปชั้นล่างของตึกอีกฝั่งหนึ่งเพราะประตู ด, ด้านล่างของตึกที่เราอยู่นั้นปิดแล้วเราเดินผ่านห้องของคณะบดี ทางเดินช่วงนั้นมืดมาแต่ด้วยความคุ้นเคยและชินกับทางเดินเราจึงไม่ได้คิดกลัวอะไรเปิดไฟฉายจากมือถือเพื่อส่องตามทางเดินนั้นแล้วเดินไปเรื่อยๆสักพักเราก็เห็นเงาคนคนหนึ่งเดินหยุดตรงหน้าไกลๆในมือเขาถือไฟฉายอยู่เขาเดินตรงเข้ามาหาเรา เมื่อเขาเดินเข้ามาใกล้มากขึ้นเราก็เห็นว่าเป็นลุงยามคนหนึ่งเราคิดว่าแกคงเดินมาตรวจตามปกติแกเดินเข้ามาหาเราและพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเหมือนกับโมโหว่าทำไมยังไม่กลับบ้านดึกแล้วมันอันตรายตอนนั้นเราทั้งตกใจแล้วก็งงด้วยเมื่อเงยหน้ามองลุงยาม เราก็มองเห็นหน้าไม่ชัดเจนนักเราตอบลุงยามกลับไปว่ากำลังจะกลับค่ะจะไปรอแม่ที่ตึกคุณแม่จะมารับลุงยามแกพยักหนา้าแล้วไม่พูดอะไรจากนั้นก็เดินผ่านเราไปทางด้านหลังส่วนเราก็เดินต่อไปตามทางตอนนั้นนึกยังไงไม่รู้เราหันหลังกลับไปมองแต่ปรากฏว่า แกได้หายไปแล้วตอนนั้นเราไม่คิดอะไรมาจึงเดินต่อเพื่อไปรอแม่พอวันถัดมาที่มหาวิทยาลัยเราก็ได้เล่าเรื่องเมื่อคืนให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ทำหน้าตกใจแล้วบอกเราว่ายามที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่เดินตรวจตึกนะแกแน่ใจหรือเปล่าวะว่าเป็นยาม 什么作啊